8. อุยยุตตะเสนาสิกขาบท 1. ร้อยเอ็ดถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุพพขพักขีไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนรบในอุยุตเะเสนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน